ก็ความในมหาปริณิพานสูตรคอเกสิบหน้าสอง้อยหกสิบเจ็ดครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอยู่ในหมู่บ้านนาทิกะตามพระอัธยาศัยแล้วพระองค์ก็ตรัสกับท่านพระนนว่ามาเถอะอ น, นุนเราจะเข้าไปยังพระนครเวสาลีกันเธอท่านพระนนวก็กราบทูลแดบบ่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าข้า ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงหมูใหญ่เส ด, ด็จดำเนินถึง น, น, นครเวสาลีนั้นแล้วทราบว่าในนครเวสาลีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเส ด, ด็จประทับในอัอมภะปาลีวันที่เระะียกว่าสวนมะม่วงของนางอัมภปาลีน่ยนะอัมภปาลีวันในอัมภปาลีวันนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส ก, กับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย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 ดูการพิสูุทั้งหลายก็พิกษุเป็นผู้มีสัมปชัญญะเป็นอย่างไรมีสัมปชัญญะนะคำว่าสัมปชัญญะนั้นโดยความหมายมีอยู่4ประการด้วยกันหนึ่งศาสกะสัมปชัญญะคํานึงถึงประโยชน์เป็นต้นสกอนสองโคจรสัมปชัญญะนํากรรมฐานไปด้วย 3. สัมปายะสัมปชัญญะพิจารณาว่าอะไรเป็นสัปายะไม่ใช่สปายะแล้วก็สุดท้ายอสัมโมหสัมปชัญญะ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 ในอิริยาบถทั้ง4ี่นะไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอน sleep, นั้นจะต้องมีสัมปชัญญะอยู่เสมอ ER. เป็นผู้ทําสัมปชัญญะอยู่เสมอ ER ในการแลและการเหลียวดูนะจะแลตรงตรงหรือจะเหลียวดูข้างๆ im, เป็นต้นก็ต้องมีสัมปชัญญะอยู่เสมอเป็นผู้มีสัมปชัญญะอยู่เสมอในการคูเข้าและในการเหยียดออกเป็นผู้ทําสัมปชัญญะอยู่เสมอในการทรงไว้ซึ่งสังขาริตบาทและจีวร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 สั ป, ปายะสัมปชัญญะโคจระสัมปชัญญะและอสัมโมหะสัมปชัญญะในฐานะเจ็ดประการเจ็ดประการก็คือก้าวไปถอยกลับหนึ่งสองแลดูเหลียวดูสามคู่เข้าเหยียดออก 4, สี่งไว้ซึ่งสังคาติบาและจีวรหกินดื่มเคี้ยวลิ้มหกถ่ายอุจาระปัสสาวะเจ็ดเดินยืนนั่งหลับตื่นพูดนิ่ง มันก็ต้องคํานึงทุกอย่างเนี่ยนะทุกอย่างคูณด้วยศาตกาสัมปัญญาโคจ ร, ระสัมปชัญญาถ้าสี่คูณเจ็เท่ากับเท่าไหร่ยี่สิบแดก็ต้องเจริญสัมปัญญะยี่สิดอย่างอันนี้ที่พูดแบบหัวกลมๆนะแต่แต่ถ้าแจกรายละเอียดไปก็สัมปัญญะสี่กลับก็สัมปชัญญะสี่แลดูก็สัมปชัญญาสสัมปชัญญาสี่เหลียวดูก็สัมปัญญาสี่คูเข้าก็สัมปชัญญะสี่เหยียดออกก็คํานวณ จเจรสัมปชัญญะด้วยสัมปชัญญะสี่ขณะที่ใช้ผ้าสังขาติอนั้นหมายเาว่าการนุ่งการห่มทั้งหลายก็สัมปชัญญะสี่การจับบาตจับภาชนะจับข้าวของเครื่องใช้ทั้งหลายก็สัมปชัญญะสี่การกินก็กินด้วยสัมปชัญญะสี่ดื่มดื่มด้วยสัมปชัญญะสี่ขณะที่เคี้ยก็เคี้ยว ด, ด้วยสัมปชัญญะสี่ลิ้มหรือเลียเนี่ยนะของลิมของเลียก็คืออะไรดูไหมเครื่องดื่มทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าการเครื่องดื่มเนี่ยพวกของลิมของเลียเนี่ยนะพวกนั้นก็ ด้ว ย, ยสัมปชัญญะสี่ขณะที่ถ่ยอุจจาระปัสาวะก็ทําด้วยสัมปชัญญะสี่ขณะที่เดินก็เดินด้วยสัมปชัญญะสี่ยืนด้วยสัมปชัญญะสี่นั่งด้วยสัมปชัญญะสี่หลับก็หลับด้วยสัมปชัญญะสี่ตื่นก็ตื่นพร้อมกับสัมปชัญญะสี่พูดก็พูดด้วยสัมปชัญญะสี่นิ่งก็นิ่งแบบมีสัมปชัญญะสี่ประการนะทั้นสติปัญฐาสี่มีกายานุปัสนาเป็นต้นบวกกับสัมปชัญญะสี่ในฐานะเจ็ด เจตฐานะใหญ่ๆเนี่ยนะมันก็จะรู้ว่าพระองค์เนี่ยแนะนําให้มีสติอย่างนี้แหลันะมีสัมปชัญญะอย่างนี้แหลสตินั้นก็คือสัมมาสติสัมปชัญญะตัวนี้ก็คือสัมมาทิฏฐินั่นเองนะนะก็ยกองค์มรรคที่สําคัญสององค์คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสติพรนพระองค์บอกว่าให้มีสติมีสัมปชัญญะอยู่เถอะนี้เป็นอนุสาสนีของเราแก่เธอทั้งหลาย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 พอเดี๋ยวจะเข้าไปอยู่ในสวนเนี่ยโดยที่ไม่มีสติสัมปชัญญะก็เสียหายส่วนรายละเอียดท่านบอกว่าขยายพิสดารแล้วในสติปัฏฐานเนี่ยนะซึ่งในสติปัฏฐานสูตรนะครัว่ากายานุปัสนาเวทานานุปัสนาจิตตานุปัสนาธรรมานุปัสนาเป็นอย่างไรนั่นก็ศึกษาพิสติปัฏฐานสี่โดยละเอียดส่วนสัมปชัญญะสี่ในฐานะเจดก็ดูจากสัมปชัญญะบัพเพะ ในข้อ91กล่าวถึงนางอัมพปาลีหญิงคณิกานางอัมพปาลีหญิงคณิกาก็คือโสเพณีสมัยก่อนเนี่ยเป็นตำแหน่งเนี่ยนะเป็นตาแหน่งที่ใหญ่มากตาแหน่งหนึ่งเลยแหละได้ยินแล้วแล ว, ว่าเขาว่าคือนางเนี่ยได้ข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเสด็จดำเนินถึงนครเวสาลีแล้วเสด็จประทับอยู่ในสวนมะม่วงของเรา นางอัมพะปาลีคนนี้ก็นับว่าเป็นหญิงคนหนึ่งที่มีศรัทธาตอนหลังเนี่ยนะท่านมีลูกอยู่คนหนึ่งมีลูกเพศมีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยแอบลักลอบไปก็ไปอยู่กับนางอัมพะปาลีอยู่พักหนึ่งแล้วก็ได้ลูกอยู่ท่านหนึ่งนะแล้วลูกชายของนางก็ออกบวชเป็นพระอรหันต์ตอนหลังก็ลูกชายมาสงเคราะห์แม่ตอนหลังนางอัมพะปาลีคนนี้ก็บวชบวชแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในตอนท้ายเนี่ยนะอัมพปาลีเทรีคาถาก็มี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 อาโรูปสมัยก่อนมานั่งดูนะเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างนี้เนี่ยนะบัตรนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วเพราะอะไรเพราะมันถึงชราเราพิจารณาโดยอะไรนะชราติธรรมโตเนี่ยนะพิจารณาว่าเออรูปทั้งหลายเนี่ยเป็นของที่มีความแก่เป็นสภาวะเนี่ยนะนะใครคิดอะไรไม่เป็นวิจิตพิสดานเนี่ยเจริญวิธีนาอัมพปาลีก็ได้นะไปดูในอัมพปาลีเถรีคถาเนะี่ยก็นั่งไล่อวัยวะตัวเองนะั่นแหละทุกชิ้นทุกส่วนเนี่ยในที่สุดก็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 เสร็จแล้วก็ลงจากยานเดินเข้าไปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งอยู่ณด้านหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังนอำอัมพปาลีคณิกาผู้นั่งอยู่ณด้านหนึ่งให้เห็นแจง้งใหเริ่นเริงให้สมาทานให้อ า, านทารด้วยธรรมีกาอถ า, อาผมก็แสดงธรรมให้นางฟังครั้งนั้นแลนางอัมพปาลีคณิกาผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหารให้รื่นเริงด้วยธรรมมีคาถาก็คือฟังธรรมจบก็ลักษณะของผลที่ฟังธรรมสมัยพุทธกาลก็ฟังแล้วจะเห็นแจ้งคือเข้าใจอย่างทะลุปโปร่ปปรงพอเห็นแจ้งเสร็จ แ, แล้วก็สมาทานเอาข้อปฏิบัตินะสมาทานสิ่งที่เป็นข้อปฏิบัติกําจัดทิ้งสิ่งที่ไม่ใช่ข้อปฏิบัตินะนะแล้วก็ทําด้วยความอาถานทําด้วยความองอาจ ไม่ใช่ทำแบบง้อยเงาไม่ใช่ทำแบบร่าเริงรื่นเริงทำอย่างมีความสุขเนี่ยนะเพราะเห็นประโยชน์เห็นผลเห็นอานิสงส์ของการปฏิบัติตามหลังจากฟังธรรมนะได้รับความเห็นแจ้งสมาทานอาหารร่าเริงเสร็จแล้วก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่า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 เพราะว่าโดยพื้นโดยรวมแล้วสวนมะม่วงนี่มีร่มเงาร่มเย็นนะนะก็ถือว่าหน้าพักผ่อนที่สุดแหละบางเจ้าลิชวีทั้งหลายเหล่านั้นก็สั่งให้เทียมยานทั้งหลายคันใหญ่ๆแล้วต่างก็ขึ้นยานคันใหญ่ๆนนะออกจากนครเวสาลีด้วยยานใหญ่ๆบรรดาเจ้าลิชวีทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะเจ้าลิชวีบางพวกแต่งสีสีนินก็คือแต่งตัวย้อมผิวเป็นสีนิน มีวันะเป็นสีนินนุ่งผ้าห่มเป็นสีนินประดับด้วยเครื่องประดับสีนินสวยยังไงไม่รู้นะออกดำดำอ่ะนะเนีนเนียนเนียนนียนเนี้ยแปลว่าดำเช่นม้าเนินมังกรก็ม้าดำอ่ะนะมีเจ้าลิชวีกลมหนึ่งแต่งตัวด้วยผ้าดำทั้งหลายตัวก็ออกดำดำเลยนะเจ้าลิชวีบางพวกก็สีเหลืองมีวันะสีเหลืองไอ้เหลืองเนี่ยไม่ใช่เหลืองผิวแท้นะเหลืองแบบย้อมอ่ะนะก็ถือว่าเป็นความงดงามของเขาละ่ะ นุ่งผ้าสีเหลืองเครื่องประดับก็สีเหลืองเจ้าลิชวีบางพวกก็สีแดงมีวันนะสีแดงใช้ผ้านุ่งผ้าห่มสีแดงเครื่องประดับก็สีแดงเจ้าลิชวีบางพวกก็สีขาวมีวันนะสีขาวนุ่งผ้าห่มสีขาวแล้วก็เครื่องประดับสีขาวครั้งนั้นแลนนางอัมพปาลีคณิกาก็ให้เพล่ากระทบกับเปล่าให้ล้อกระทบกับล้อให้แอกระทบกับแอก